เรื่องของมีเจ้าของไม่ควรนําไปใช้หนึ่งเรื่องหนึ่งห้าสสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้นําเสนาสนะเครื่องใช้สอยประจําในวิหารของอุบาสกคนหนึ่งไปใช้สอยที่อื่นอุบาสกนั้นตนําหนิประนามโพลธนาว่าทนายพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงนําเครื่องใช้สอยประจําในที่แห่งหนึ่งไปใช้ในที่อีกแห่งหนึ่งเล่า ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องใช้สอยในที่แห่งหนึ่งไม่พึงนำไปใช้สอยในที่อีกแห่งหนึ่งภิกษุใดพึงใช้สอยต้องอบัตทุกกฎวงเล็บเรื่องที่หนึ่งสา